ทรงประชุมสงบัญญัติสิคาบทลําดับนั้นถ้าผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีเข้าสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันพุทหารนั่งบนอัศนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านจริงหรือภิกษุทั้งหลายติดรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้า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 ให้ภิกษุณีทั้งหลายยกศิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้